เหมือนฉันสร้างไว้มันในอากาศตลอดมาถึงทันที่รู้ตัวเองไม่เป็นที่ต้องการมันเป็นเพียงความฝันลมลงๆลังแ ล, ง ล, ง ล, งลงทั้งนั้นรู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็น โลกทั้งโลกของเธอมันฉันสดใสและสวยงามเพราะแสงตะ ว, วันกำลังขึ้นทางทิตของเธอตรงกันขามกับฉันตั ว, วันกำลังตกดินเมื่อรู้ว่าเธอ จะมีขาวดีเธอเป็นคนเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไหมฉันจะตาย มองเห็นเธอทุกเท่าที่ไรเหมือนผู้ชายคนนี้ก้ลังหมดแร็ทั้งที่รู้ว่าเธอ ไวให้เป็นไปแค่เท่านี้ก็ลืมทุกทีว่าเธอมีเจ้าของเธอเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งว่าใจของฉันมันรักเธอ รักเธอที่รู้ไม่ฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอแต่เท่าที่ไรเหมือนผู้ชายที่กกนี่ต้องลังหมดแรง เป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทำวุ่นใจของฉันมันรัก ใจจะเธอมาได้สักทีรักผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง